จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26บ ก, กกรกฎาคมพุทธศักราช2553เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันอาสารหาบูชา เนื่องจากว่าในวันนี้ในสมัยพระพุทธการได้เป็นมีเหตุการณ์ที่สำคัญปรากฏขึ้นคือเป็นวันที่พระบรมศาสด า, า, าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ พระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญเดือนหกแล้วพระ อ, องค์ได้ใช้เวลาพิจารณาถึงเหตุและผลว่าควรที่จะประก า, าศศาสนาให้แก่สัตว์โลกหรือไม่ในเบื้องต้นพระ อ, องค์ทรงมีความท้อแท้เนื่องจากทรงเห็นว่า สิ่งที่พระพุธองทรงรู้และจะนำมาเผยแก่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนั้นเป็นสิ่งที่ยากแก่สัตว์โลกทั้งหลายที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้เนื่องจากว่าเป็นการถวนกระแสะความรู้สึกในในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายแต่มีพระมหาพร ได้มาอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายและหลังจากที่พระองค์ได้ทรงพิจารณา mm. ก็ทรงเห็นว่าสัมโลกนี้มีบางส่วนที่จะสามารถรับรู้ได้สามารถนํำมาไปปฏิบัติได้และมีบางส่วนที่ไม่สามารถ รับรู้และนำเอาไปปฏิบัติได้จึงทรงพิจารณาแยกสัตโลกไว้เป็นสี่จำพวกคือเปียนเหมือนกับพวกบัวสี่เหล่าบัวนี้ก็มีอยู่สี่ชนิดชนิดแรกนี้เป็นชนิดที่ผลกขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเพียงแต่รอแสงพระอาทิตย์ก็จะบานออกมาพวกที่สองก็เป็นพวกที่ อยู่เปลี่มน้ํารออีกวันสองวันก็จะโผล่เหนือเหนือน้ําขึ้นมาและจะบานไปตามลําดับพวกที่สามเป็นพวกบัวกลางน้ําที่จะต้องใช้เวลานานอาจจะเป็นสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะสามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําและบานได้ส่วนพวกที่สเป็นพวกที่อยู่ กับใต้อยู่กับดินกับโครนพวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะเพล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของกลาไปพระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาว่าคนหรือสัตว์โลกก็มีความแตกต่างกันทางด้านสติปัญญาเช่นเดียวกันคนที่ฉลาดมากเหมือนกับ ประเภทบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วก็มีอยู่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถตัดสรูปบรรลุธรรมได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยพวกนี้ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งพวกกลุ่มที่สองก็คือพวกที่มีปัญญาได้ลงมาหน่อยคือฉลาดอยู่แต่ไม่ฉลาดเท่ากับพวกแรก พวกนี้ก็ต้องใช้เวลาสั่งสอนหลายครั้งหน่อยแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมได้พวกที่สามนี้ก็มีปัญญาน้อยมากแต่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพ่อพระเจ้าพวกนี้ก็จะต้องใช้เวลามากกว่าพวกสองพวก แต่ก็จะมีโอกาสได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันส่วนพวกที่สามนี้เป็นพวกที่หูหนวกตาบอดเป็นพวกที่ไม่มีจิตศรัทธาไม่เชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดพวกนี้ก็จะเป็น พวกที่จะไม่สามารถรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติและบรรลุธรรมได้เลยพวกนี้ก็จะมีแต่วนเวียนตายเกิดอยู่ในอบายเป็นส่วนใหญ่นี่คือเรื่องของสามโลกสี่จำพวกหรือพวกบัวสี่เหล่าหลังจากนั้นก็จึงได้ตั้งใจ ไปหาพวกบัวเหล่าแรกพวกที่ฉลาดมากก็คือพระปัญจวัคคีที่เคยติดตามพระพุทธเจ้ามาพวกนี้เขาได้ปฏิบัติธรรมมานานได้ออกบวชได้สละชีวิตของคารวาดได้มีศีลได้มีสมาธิแล้วสิ่งที่เขายังขาดอยู่ก็คือปัญญาความรู้ ที่จะทำให้เขาบรรลุธรรมได้แักความรู้นี้ก็จะไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าได้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงมุงไปหาพระปัญจวัคีซึ่งไปพบก็ในวัน ขึ้นเดือน8ดค่ำวันขึ้นสิ้าค่ำเดือน8ดเช่นวันนี้ น, นได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นขั้งแรกพระธรรมเทศนาขั้งแรกนี้เรียกว่าธรรมจักกับวัตนาสูตรความหมายก็คือธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นจักที่จะตัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจของโลก ผู้ใดได้ยินได้ฟังทำรรนี้แล้วจะต้องได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนถ้ามีปัญญาบรารมีพอพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมจักรซึ่งมีหัวใจสําคัญอยู่ที่พระอริย ส, สัจสีซึ่งเป็นความรู้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดสรุปธรรมนี้พระอริยสัจสีนี้ ไม่มีใครรู้มาก่อนต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเห็นธรรมานี้ได้และสามารถปฏิบัติธรรมานี้ได้จนบรรลุถึงพระนิพพานได้อยู่ที่พระอริยศัจสี่ที่มีอยู่สประการด้วยกันคือข้อหนึ่งทุกขษัิ์ข้อสองสมุทัยศั์ ข้อสามนิโรธยาสัพนิโรธท์ข้อสีมรรคสัพเนี่นี่คือความรู้สีประการด้วยกันที่ผู้ใดถ้ารู้และสามารถปฏิบัติได้ก็จะสามารถบรรลุรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ข้อแรกพระ อ, องค์ทรงสแสดงว่าทุกของสัตว์โลกคือทุกใจนี้เป็น สิ่งที่มีอยู่กับสัตว์โลกทุกๆคนและเหตุที่ทำให้มีความทุกข์นี้ก็คือความอยากทั้งหลายเหตุก็คือสมุทยัยซึ่งประกอบด้วยความอยากสาประการด้วยกันคือการมักตันหาความอยากในการตัว อ, อยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ข้อทความอยากข้อที่สองก็คือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากมียศมีอยากมีตําแหน่งสูงๆอยากเป็นนายกอยากเป็นรัฐมนตรีนี่คือความอยากที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากข้อที่สาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่จนเป็นต้นนี่คือความอยากถ้ามีความอยากนี้เกิดขึ้นภายในใจแล้วใจจะทุกข์ขึ้นมาจะร้อนขึ้นมาจะอยู่ไม่เป็นสุขเช่นเวลาอยากจะออกไปเที่ยวจะอยู่บ้านไม่ได้จะรู้สึกปึดอัดลำคาญใจว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงา นี่เป็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอย่างนี้เป็นตน้นพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์อยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจต้องตัดความอยากทั้งสามประการนี้ให้ได้ผู้ใดตัดความอยากทั้งสามประการนี้ได้แล้ว นั้นก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่เฉยๆก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าการที่ได้ไปเที่ยวการที่ได้เป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีหรือการที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ได้เลยเพราะเหตุคือสมุทยัยความอยากต่างๆไม่มีอยู่ภายในใจ และวิธีที่จะทำให้ความอยากต่างๆหมดไปได้ก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมธรรมก็มีอยู่สามข้อสามขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าทางคือการให้เช่นวันนี้ญาติโยมมาเอาเข้าวของกับข้าวกับปลาอาหารจตุปัจจัยไตรทานต่างๆมาถวายพระ นี่เรียกว่าเป็นการให้ให้ข้าวให้ของเรียกว่าวัตถุทานให้แล้วก็จะเกิดผลคือเกิดความสุขใจขึ้นมาเพราะดับความอยากได้ในข้อหนึ่งคือแทนที่จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวไปซื้อสุรามาดื่มหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้ก็อเอาเงินนี้มาถวายวัด ซือกับข้าวกับปลาอาหารของเคาวของหวานมาถวายพระภิกษุที่อยู่จำปรรหาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการตัดกามตัณหาไปได้เปราะหนึ่งถ้าทำบ่อยๆทำมากๆขึ้นก็จะมีความสุขใจมากขึ้นจะมีความทุกข์ใจน้อยลงไปเพราะจะมีความอยากไปเที่ยวน้อยลงไปอยากจะดื่มสุราน้อยลงไป อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆน้อยลงไปนี่ก็จะเป็นความสุขความสบายใจข้อข้อหนึ่งขั้นที่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็เพื่อหยุดยับยั้งความอยากที่จะส่งให้เราไปทำบาปทำกรรมนั่นเอง เช่นเราอยากจะดื strong, ่มสุรายาเมาถ้าเราถือศ <te> ีลถ้าเราก็จะไม่ดื่มสุราความอยากดื่มสุราก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าวันนี้เราจะไม่ดื่มสุราพอไม่ดื่มสุราก็จะไม่เกิดความอยากดื่มสุราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ได้ดื่มสุราก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เหมือนกับวันที่ไม่ได้ถือศีล ถ้ามันไม่ได้ถือศีลแล้วจะรู้สึกอยากขึ้นมา ท, าทันทีแล้วพอไปดื่มสุราขึ้นก็จะเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไปทำบาปทำกรรมไปพูดไม่ดีไปทำไม่ดีถ้าไปขับรถก็อาจจะไปประสบอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นและตนเองเสียชีวิตหรือพิกลพิการได้นี่ก็เป็นผล ที่เกิดจากความอยากหนึ่งสุรานี่เองแต่พอเรามีศีลเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เราไปทำบาปไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้แก่ผู้อื่นและตนเองได้ศีลจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะจะรักษาให้เราอยู่อย่างปลอดภัย ถ้าเราไปทำบาป ท, ทำกันเราก็จะมีผู้ที่เขาจะต้องมาล้าแนแค้นจองเวรจองกรรมกับเราถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็อยากจะกลับมาทำร้ายเราเป็นธรรมดาถ้าผู้อื่นเขาทำร้ายเราเราก็อยากจะทำร้ายเขาเราจะไม่ทำร้ายผู้ที่เขาไม่ทำร้ายเราเพราะเราไม่มีเหตุที่จะไปอยากจะไปทำร้ายเขา แต่ถ้าเรามีธรรมะถ้ามีผู้ที่เขาทำร้ายเราเราก็ต้องอย่าไปทำร้ายเขาเราต้องเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวนไม่เวนย่อมไม่ระนับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระนับด้วยการไม่จองเวนถ้าเขาทำร้ายเราก็คิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าเราคงไปทำร้ายของมาก่อน จึงทำให้เขาต้องมาทำร้ายเราแต่เราไม่ต้องการที่จะให้เรื่องนี้ยาวต่อไปเราก็จะหยุดเราจะไม่ไปทำร้ายเขาคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าหรือเป็นการให้อภัยเป็นการทำบุญพอเราไม่ทำร้ายเขาแล้วเขาก็จะไม่มีเหตุที่จะมาทำร้ายเราแต่ถ้าเรากลับไปทำร้ายเขาก็จะทำให้เขาเกิด ความรู้สึกเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทขึ้นมาก็จะทำให้เขามาทำร้ายเราดังนั้นถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมเราก็จะไม่มีความทุกข์กังวลใจว่าจะมีผู้อื่นมาทำร้ายเรานี่ก็เป็นการดับความทุกข์ได้ในอีกระดับหนึ่ง แต่ยังมีความทุกข์ที่ละเอียดกว่านี้ที่เราต้องใช้การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตภาวนาซึ่งมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนานี้เป็นขั้นต้นคือทําจิตให้สงบเวลาจิตมีความสงบแล้วจะความอยากจะหายไป เพราะความอยากนี้ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งของจิตถึงจะเกิดความอยากขึ้นมาได้แต่ถ้าจิตไม่คิดไม่ปรุงจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆความอยากต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เปรียบเหมือนกับรถยนต์ถ้ารถยนต์จอดอยู่เฉยๆก็จะไม่สามารถวิ่งไปประสบอุบัติเหตุได้ แต่ถ้ารถวิ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะไปประสบอุบัติเหตุต่างๆได้ฉันใดเวลาจิตสงบก็เหมือนรถยนต์นิ่งเฉยๆอยู่เมื่อรถยนต์นิ่งเฉยๆความอยากที่จะไปทำบาปทำกรรมอยากไปดื่มสุราอยากไปเที่ยวอยากจะไปเล่นการพนันหรืออยากจะไปทำบาปต่างๆก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ ก็จะอยู่อย่างมีความสงบสุขอยู่อย่างสุขอย่างสบายปลอดภัยแต่เนื่องจากสมาธินี้ไม่ไม่เป็นสิ่งที่เราสามารถนั่งได้ไปตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาเรานั่งได้สงบเพียงไม่นานก็จะต้องถอนออกมาพอจิตถอนออกมาจากสมาธิจิตก็จะเริ่มคิดปรุงแต่ง พอเริ่มคิดปรุงแต่พอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาเห็นอาหารก็อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอาหารเห็นเครื่องดืง่มก็อยากจะดื่มขึ้นมาตอนนี้ถ้าเราอยากจะตัดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ท่านสอนให้เรามองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากต่างๆนี้เป็นเหมือนยาเสพติด ให้ความสุขกับเราไม่มากเท่ากับให้ความทุกข์เราไม่มีสิ่งต่างๆที่เราอยากนี้เราก็อยู่ได้เช่นเราอยากจะได้ของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำร ง, งชีพหรืออยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้เราไม่มีเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็ไม่ตายเราอยู่ได้ ถ้าเราไปแล้วเราก็จะเป็นธาตุของความอยากเพราะไปหนงเดียวก็จะไม่พอไปแล้ววันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปจะอยากไปเรื่อยๆและจะเป็นความกดดันที่ทำให้เราต้องหาเงินหาทองอย่างยากอย่างลำบากเพื่อที่จะมาลับใช้ความอยากต่างๆของเรา แต่ถ้าเราต่อสู้กับความอยากด้วยเหตุด้วยผลว่าอยากสิ่งต่างๆเ่านี้เหมือนกับอยากยาเสพติดเราก็รู้ว่ายาเสพติดนี้พอติดแล้วเลิกยากฉันใดการอยากเที่ยวอยากซื้อของฟุ่มเฟืยอยากดื่มสุรายามเมาก็เป็นเช่นเดียวกันได้ความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆจากการได้เสพได้สัมผัส แต่หลังจากนั้นแล้วก็ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่เรื่อยๆต้องไปดื่มสุราอยู่เรื่อยๆถ้าเราใช้เหตุใช้ผลว่าเป็นการเข้าหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการเข้าหาความสุขเราก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆได้นี่คือ ปัญญาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือให้พิจารณาเห็นโทษของความอยากของเราว่ามันไม่ได้สร้างความสุขแต่มันเป็นการสร้างความทุกข์เพียงแต่อยากที่ก็เกิดความไม่สบายใจแล้วพออยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มก็จะเกิดอาการหงุดหงิดใจอยากจะซื้อของแต่ไม่มีปัญญาไม่มีเงินทองที่จะซื้อ ก็จะเกิดความหงุดหงิดใจลำคาญใจและอาจจะผลักดันให้เราไปทำบาปทำกรรมเช่นไปหาเงินทองด้วยวิธีที่ไม่สุจริตไปช่อโกงไปลักขโมยเพื่อที่เราจะได้มีเงินมาซื้อของที่เราอยากได้นี่คือเรื่องของความอยากแต่ถ้าสิ่งที่เราอยากได้นี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องหามาเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าเป็นของจำเป็นความต้องการสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่ต้องรู้จักประมาณ คือไม่มากจนเกิดไปต้องรู้จักว่าพอดีถ้ามีมากเกินไปก็จะกลายเป็นตันหาความอยากเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจได้นี่คือพระอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปแล้วนำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเริ่มต้นที่พระปัญจวัคคีย์หลังจากที่ทรงสแสดง พระอริยาาสัจสี่เสร็จแล้วก็มีพระอัญญาณกนทัญญะหนึ่งในพระสาวกหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาได้อะไรมาแล้วก็ต้องสูญเสียไปเป็นธรรมดา ได้ร่างกายมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องเสียร่างกายนี้ไปได้ความสุขมาแล้วมันก็ต้องหมดไปท่านจึงไม่ปีความที่อยากจะได้สิ่งต่างๆถ้ามีแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดพร้อมที่จะให้สิ่งต่างๆนั้นจากท่านไปเช่นพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้จากท่านไปเมื่อถึงเวลาของเขานะ พอรู้อย่างนี้แล้วทำใจได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องของธรรมดาไม่มีใครมายับยั้งมาหักห้างได้แต่ใจที่รู้แล้วปล่อยวางจะไม่ทุกข์กับความตายนี่ก็คือการบรรลุธรรมของพระอัญญาณโกนทัญญา จึงปรากฏเป็นพระอริยสงสารกขึ้นมาองค์แรกทําให้พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบทั้งสามประการคือมีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระธรรมคําสอนที่ทรงแสดงในวันนั้นที่เรียกว่าธรรมจักรกับภาวะรัตนสูตรและมีผู้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอริยเจ้าองค์แรก เป็นพระสูดาบันเป็นพระ อ, อริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาวันนั้นคือวันนี้วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปจึงเป็นวันที่พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นให้แก่โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นการเกิดขึ้นของพระพุทธลัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆลัตตานะ ที่เป็นที่พึ่งสูงสุดแก่จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดได้เกิดมาได้พบกับพระรัตนตรัยและได้ยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีโชควาสนาอย่างมากพราะจะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมีพระรัตนตรัย เป็นสาระเป็นที่เพิ่องอยู่ภายในใจรักษาใจของท่านไม่ให้ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายไม่ให้ทุกข์กับการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราก็จะสามารถเป็นได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะพวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทาง ขอให้พวกเราเพียงปฏิบัติตามเท่านั้นก็คือปฏิบัติธรรมะสมข้อที่ได้แสดงไว้ในวันนี้คือทานศีลและภาวนาถ้าปฏิบัติได้ครบเต็มที่แล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้ถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนและจะอยู่เหนือความแก่ ความเจ็บความตายได้จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บและความตายนี่คือบุญเลื่อวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงอยากจะให้ท่านจงน้อมเอาพระธรรมคาสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้เอาไปปฏิบัติและความสุขและความเจริญ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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาล ะ, ะโดยทั่วหน้าการเธอ